ก็จะเห็นว่าเวลายิ้มที่ไหร่เรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้จิตใจดียิ้มแล้วดูสนิทหน้าอ่าเราเวลาเราดูทีวีนะเค้าก็คงจะบอกกันว่าต้องยิ้มเวลาสอนการพูดการจาก็จะสอนว่าต้องยิ้มควรจะยิ้มแล้วจะว่า คนประกาศทางทีวีสิยิ้มแล้วรวยฝืนยิ้มสู่ทำนายเฉยๆก็ดีกว่านะทำนายรูปกลุ่มไปซะอย่าสวยกว่าดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติซะทีควรเนี่ยนะก็อาจจะเป็นว่ายังใหม่อยู่หรือเหตุผลที่ผมพูด<อ> ลักษณะของการยินทีนี้ไอ้ความเข้มข้นของรูปก็โอ้โหคะแนนได้ <c oughs> ตาหน้าตาสดใสก็ยิ้มด้วยก็มีกําลังมากไปเลยเป็นการยิ้มที่มีเนี่ยซึ่งหมายถึงความ ที่รูปนั้นยกตัวอย่างก็มายกรูปครบตัว มันก็อย่างหนึ่งใช่มั้ยฮะไอ้รายยิ่งมองมาก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าถามว่า บางทีคนที่อายุมากอายุหมายถึงในวัยเอ่อพ้นวัยหนุ่มใบสาวไปแล้วก็อาจจะยิ้มแล้วยิ้มคนเห็นแล้วเกิดความสบายใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะเวลาพบท่านหรือคน อย่างที่ท่านเหล่านั้นมีอันนี้ก็เป็นเรื่อง จะดูอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใจแย้มด้วยในวัย อันถ้ายิ้มมีเสียงก็เติมเสียงเข้าไปครับว่าต่อไปถ้ายิ้มมีเสียงก็เติมเสียงเข้าไปครับ มีการพูดจาด้วยก็มีวจีวิญญาณต่อไม่ยากแลสําหรับ รูปก็จะไม่ถึงขั้นการยิ้มมันไม่ไม่แรงถึงขั้นก็จะไม่ถึงขั้นกายไหวไม่ <ม. S 1> ที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือฉพาะหาสิตุปาทจิตซึ่งก็ได้ความตามที่อะไรจึงทําให้พระอรหันต์เกิดอาการแย้มก็ได้ ก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้และทาง แปลว่าท่านจะมองลึกเลยไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่ซุกปนแต่ว่าก็ยิ้มออกอ่ะแต่ก็ โดยอารมณ์ที่เราสําคัญเห็นว่ามันเป็นความสนุกของ แล้วก็ไม่ปราลภไปโดยธรรมเหมือนอย่างพระอรหันต์อรหันต์เนี่ยท่านขยับลุกลงไปแล้วก็ปราลภโดยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมย้อนมาพูด แค่อารมณ์นั้นเท่านั้นคือไม่ได้คิด ใช้ปัจจัยอยู่พอดีถูกไอ้เจ้าของบ้านก็ทวงค่าเจ้าบ้าน ปราชญ์นั้นแล้วก็ปราชญ์เนี่ยตั้งใจจะขยับลึกแล้วก็เป็น ในตอนลงจากเขากิริกูฏนั้นตั้งหลาย 10 ตนหลาย 10 ตัวแล้วก็แต่ๆกัน กับอนิธานลมนั้นจะพูดถึงตรงนี้ก่อนท่านคิดว่าเรา ว่าละรอดใช่มั้ยเอารอดเราไม่ประสบๆอย่างแล้วก็เปรตบาง <c oughs> ก็จริงๆเกิดทุกตัวมักอาเกรดแต่ไอ้บางต้นอื่นมันไม่ไม่เด่นเช่นว่าบางต้นก็ตามมามีขี้ เดิมมันมันไหนก็หลากที่เป็นความอัปปะลักษณ์ของเปรตแต่ๆกันทุกตนก็น่าเกียดทั้งนั้นบางตนมดทั้งพวกทรงเจ้าเข้าผีถ้า ทำคือในทาง เพราะว่าเป็นการโกง— หรือว่าถ้า ดูทําให้คนอื่นเนี่ยเค้าเอาเอาดอกไม้เอากวงในในทศไทยปิฎกท่านยังบอกอดีต แม่หมดไอ้นั่นก็หมายถึงพวกที่หลอกคือมีอ่ะอยู่ในหลุมโพดอยู่ใน <c oughs> เสียงเนี่ยบางทีก็เป็นไอ้ก็เสียงรูปกับเสียงนี่ค่อนข้างรูปนี่แน่นอนแต่เสียงเนี่ยบางต้นก็โหยหวนบางที่โหยหวนก็ถ้าต้นใดหิวก็เสียงเยือกเย็นให้ปรากฏต้นใดได้รับความทุกข์ แล้วก็จากแล้งมาทิ่มมาปักตัวเองด้วยจากการลงโทษลง อาเสียงเกรดเนี่ยมันมันน่ากลัวมากแบบ ไอ้เป็นพระศาสนาจารย์นรกน้อยบังคนนี่รับไม่ได้ใจไม่แข็งพอแค่ พวกนี้น่ะเสียงมันทั้งเย็นทั้งเยือกทั้งโหมสลับหลายก็เป็นช่วงที่มีคนหนึ่งวัดเนี่ยนะก็ตายเห็นพระขนาด ออกอยู่แถววัดมะลิพระวัดเลยแล้วพระองค์นี้ทั้งคดีนเป็นเสียงมันเป็นเสียงที่แหลมคือ ไม่อยากจะให้มารบกวนแล้วก็อยากมันก็เป็นแรงไอ้กระเทือนนะถ้าอยู่ๆเราไปเห็นคน เรียกไม่มีในประสบการณ์ธรรมดาอันนี้ก็เป็นเนี้ยว่าใครเน้นหนักตรงไหนทั้งกลิ่นก็ร้ายโดยอนุมาน <c oughs> <c oughs> อนุมานพวกอย่างพวกที่กินน้ําเลือดน้ํา องค์สมโภชท่านไม่ได้กลัวนั้นโดยตรงนั้นท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านไม่ได้กลัวการขณะที่เห็น จากนั้นเมื่อปลาลงว่าแล้วจิตก็หลุดหลุดมาเป็นไอ้ความรู้สึกที่แล้วตอบไม่ได้ว่ายิ้มทําไมนะซอมถูกกรองกลองมา โลภะเกิดโทสะมันอยู่ๆมันจะเกิดโลภะมันจะต้องมีกระบวนการมีจักขุวิญญาณนํามาให้ก่อนเสียงแล้วก็มาเกิดโลภะแล้วโลภะของเรามันเกิดเนี่ยครับเวลามัน โดยไม่ฟังๆอย่างนี้อธิตุปาทะของพระอรหันต์นั้นจึงมี <c oughs> ที่ท่านยกตัวอย่างไว้ในนี้ว่าสาหลันไปเห็นที่อันควรแก่ถึงความชนมนัสได้จิตนี้ที่ที่ควรแก่การ จะเห็นแล้วอะไรแล้วชัดเจนแล้วจิตของท่านก็หลุดหลุดมาเป็นอธิตุปาตะโอ้ ภัณฑ์เนี่ยหมายถึงสิ่งของทั้งของอุปโภคและบริโภคเมื่อบุคคลผู้ดัง คือเสียงดังเสียงยื้อแย้งเสียงเอะอะต่างๆด้วยความโลภมาเราก็ว่าเสียง มีความโปรดท่อมมนุษย์หลังเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าเป็นเนี่ยเพราะว่าท่านปราลภว่าท่านพ้นจากกิเลสนี้แล้วไม่เป็นเหยื่อไม่ นี่ทางฆานะผวานเมื่อพระอรหันต์บูชาเจดีย์ด้วยของเมื่อท่านบูชาด้วยของหอมเช่นจัดข้าวของบูชาใน แต่ที่ยกตัวอย่างนี่คือยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดอทิตุปาทาคือโสมนัส ไม่เหมือนกับมหาจริยามัคยาเนี่ยที่ปราลภข้างในบางปราลภข้างนอกบางดังที่ว่ามาแต่ถ้าเป็นหาสิตุปาภะละเป็นเหตุผลภายในของตัวเองไม่ได้คิดว่ามีคน อุตานของพระอรหันต์เวลาท่านอุตานออกมานั้นน่ะ อีกตั้งหลายครั้งที่บังเอิญพระอานนท์หรือใครคนอื่นไม่ได้เห็น สาลาเนยธรรมที่ควรจะทําที่ควรแก่การระลึกถึงกันเราได้บําเพ็ญแล้วหนออิถารมและนิถารมอิถารมเนี่ย ที่ท่านคิดได้มองเห็นท่านคิดได้มองเห็นจึงปราลภแง่มุมนั้นแล้วยิ้มให้กับแง่มุมนั้นอ่ะสําหรับสาลาเนยธรรมข้อนี้น่ะคือการแบ่งปันลาภที่ได้แล้วที่ แต่ว่าในทางการปฏิบัติของสงฆ์เวลาท่านสอนสงฆ์ถือเป็นข้อปฏิบัติสําคัญๆก็ภิกษุภูชูปฏิบัติ วัดข้อนี้อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดติดอ่าที่ที่ที่ว่าเป็นวัดการ จึงจะแตกจึงจะต้องไม่ลืมเรื่องการแบ่งให้คนอื่นไม่เต็มสองแบ่งตามบุคคลความว่าพระ ก็ได้ของมาได้ลาภมาพอได้มาเนี่ยเราจะแบ่ง เราอาจจะกินครึ่งนึงรู้สารบาท 1 นึงอีกเรา มีพระเนี่ยท่านก็ได้จากการบิณฑบาตหรือมีผู้มาถวายท่านแม้ไม่มีคนก็แบ่งแบ่งของนั้นว่าอันนี้ ว่าเราจะแบ่งให้ใครอาจจะให้คนอื่นมาก ขอในที่เก่าถ้าคงจําเป็นก็ท่านจําเป็นจะไปสอบมหาหาเอาไปก่อนนะทีนี้ท่านเฒ่าแล้วคงอาจ นี่คือคํานึงถึงบุคคลฉะนั้นก็ถูกทั้ง 2 อย่างทั้งว่าคํานึง เพื่อเป็นการเกื้อกูลเป็นการอนุเคราะห์อย่างนี้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งไม่ใช่เหตุผลเพื่อสาลาเนยธรรมนะสาลาเนยธรรมเป็นเครื่องเอ่อสร้างความสามัคคี อย่างอื่นหรือไปให้อุปชาเนี่ยทั้งกับรักเราอยู่แล้วโดยหน้าที่แต่เราให้ก็เพื่อเพื่อเป็นสักการะ อันนี้อาไปครึ่งหนึ่งให้แบ่งของส่วนกลางเหลือให้คนผู้ 4 ในเอาไป 3 ใน 4 ที่เหลือเนี่ยความยินดีก็ถือว่าเป็นความประณีตยิ่งขึ้น ได้บิณาบาตมาแล้วแล้วตัวก็เอามาตั้งไว้ไปอาบน้ําไปทําพระสงฆ์ก็มาเห็น พระสังฆาเถระก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นยกมาเลยยกมาทั้งบาทเลยมาแจกหมดเทบาทแล้วก็เอาบาทนะฮะล้าง ต้องประพฤติตั้งต้นใหม่นี่ท่านถึง 12 ปีจะได้รับคือข้อที่ 1 อานิสงส์ เป็นผู้ที่ไม่มีริษยาไม่มีตนีคือปราศจากความริษยาและความตนีสิ่งคือผลในทาง อย่างไรถ้าเป็นคนให้ขนาดว่าของที่ตนเองไม่นานก็เลิก แม่จะบอกว่าเราต้องตักข้าวเนี่ย ดินี่ไอ้ของเรามาอยู่กรุงเทพฯพมดก็ขึ้นบ้านสบายไปเลยเจอเจ้าของบ้านใจดีแต่ว่าเรายิ่งแก่ยิ่งกรรม เขาแสดงศึกษาแล้วก็ขายให้ผิดพันธุ์นิดนึงคือไอ้น้ํายาล้างสารพิษจับผัก เลยชีวิตเราก็เลยมีภาระมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่กล้ามาแรงมาอะไร ข้อ 2 คือเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกันครับว่ามนุษย์เนี่ยอ่าเพราะ 1 มนุษย์ที่เป็น อำมาที่เรียกว่าสังฆาวัตถุนั่นเองแล้วเป็นภิระของเทวดาอันนี้ก็เป็นของที่ ต่อสู้เข้าไปอะไรเข้ามาจู่โกพลังความดีเมื่อ ความจําเป็นมันปรากฏโดยแม้ตัวเองยังไม่รู้ว่าจําเป็นก็ได้คือคล้ายๆว่าอ่าเทพวีรารักษ์หรือก็เดี๋ยวจะ อันนี้ลองนึกดูประสบการณ์ชีวิตของคนคนต่างๆที่รอบอยู่รอบข้างเราเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าถ้าแสวงหา <c oughs> 5 อ่าถ้าเป็นพระเนี่ยไป จึงหมายความว่าของเมื่อได้แล้วไม่คิพย์ คือถ้ามีการจับสลากหรือมีการทํามีทายกเข้ามาทํา เราก็เห็นว่าเวลาเข้าของอ่ามาแจกจริงๆของจําล่วยแจกนั่นแจกนี้คือบางคนนะไม่ได้ของดีทั้ง แล้วก็คนมงคลเนี่ยชัดเจนนะว่าถ้าลองจัดสลากก็ๆก็ ถึงกระทั่งเป็นที่สงสัยว่าท่านมีอะไรมีดี 7 ถึงคราวอดอยากเทวดาคือเรียกว่าเราไม่ทิ้ง ระฆาจะต้องผ่านขั้นตอนบนบงนี่เป็นอานิสงส์ 7 ประการก็ข้อหนึ่งต้องมี ซึ่งเป็นพระปุถุชนนะไม่ได้เป็นอรหันต์ไม่ได้ฌานไม่ได้ 50 รูปแล้วก็ออก 50 รูปที่ออกบิณฑบาตนั้น ในที่นั้นท่านศึกษาท่านบอกว่าท่านจะไปบิณฑบาตมาช่วยตาเธอบอกโออย่าไปเลยเดี๋ยวนี้คนก็ใจจื่อใจดันถึงไม่ได้นับอย่างบางท่านอย่างท่านเจ้า สมัยอธิษฐานเลยได้เข้าร่วมในถีไปเลยท่านบอกท่าน 3 ไม่ต้องตั้งถ้าคืนต้องมานั่งถ่ายเลยยังมีส่วนชัยที่ โยมอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเค้ากําลังหุงข้าวด้วยน้ํานมพอเห็นพระมาถวายหมดหม้อเลย ท่านก็ประชุมพระบ่มาท่านก็ปักของในบาทเนี่ยใส่ๆๆๆพระทุกองค์ฉันอินท่านเองอย่างในทางกติงอกมันมีแปลกอะไรต่อ เละของอยู่ๆก็งอกอย่างของของผู้หญิงที่เราเคยฝังเด็ดบางอ่ะ พูดแล้วมันก็ออกใช่มั้ยเอ่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นะก็เลยงอกงอกด้วย โดยพวกแก่ฟันผักและงอกเป็นชุดที่หลายๆคนต่างประเทศๆก็งอกไอ้ของ ติไทก็เสียรานหนุ่มแล้วก็บวชมานานแต่ยังหนุ่ม แล้วผู้แจกนั้นคือพระเจ้าแผ่นดินเมืองเล็กๆเมืองนึงพระธิท่านก็ไม่รู้ว่าเขาแจกอะไรก็ถามคนเหล่าข้าง บังเอิญเสียงมันไปเข้าหูอัมมาตอัมมาตเลยไปบอกพระเจ้าพื้นตาผ้าตา 2 ผืนที่ดีที่สุดที่ท่านจะถวายพระเจ้าพื้นดินเลยคัดไว้เลยคัดแยกคืออันนี้พระเจ้าพื้นดินองค์นี้ก็เหมือนกับเรา การไสมา 2 องค์เนี่ยเจอเหลือพระหลงตาๆเลยนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้า เนนไปทางนูบรามาแบบนี้คนนึกคิดไม่ได้หวานนี่เรากําลังกําลังไม่เกิดความเสมอภาคกันนะก็ในอักความรู้สึกนี้บอก คงจะมีประสบการณ์มาเยือนภาพเดินคู่ตีคู่มากับพระแล้วโยมจะมองเลยเมินไปใคร แม่นมาแม่นทําท่าไม่เชื่อหัวเราชนะชนะความๆกัน ถ้ามีเนนกับพระเราจะใส่พระถ้ามีพระหนุ่มกับละวัยกลางคนเราจะนะก็ปรากฏว่าเวลาพระมรรคเนี่ยพระเจ้า ยังกับเมืองหมาดมาใส่เลยผ้าศาดกอย่างดี 2 ผืนนั้นของพระหนุ่มหมาดก็บอกแล้วว่าหยิบผิดแล้วความตั้งใจอันใดที่พระองค์นั่งบอก ธรรมะทั้งทั้งหลายเนี่ยท่านบรรลุหมดแล้วหรือสาธุบอกว่าอาตมา เลยลัพธะโยมว่าถ้าอะไรมันไปๆก็เป็นอนฤทธนะทั้งแต่ว่าก็เป็นที่ลักๆนี้ได้จริงๆนี่เป็น เทวดาช่วยคือเล่าว่าที่หมู่บ้านที่พระหญิงรูปนี้อยู่คนอ่าพอเนี่ยก็มีคณะพระภิกษุณีคณะหนึ่งกับ <c oughs> นางภิกษุณีนั้นท่านก็รู้ว่าท่านได้ประทำเลยพระคณะพระภิกษุภิกษุณีเนี่ย ไม่ได้ไปบิณฑบาตที่ไหนเพราะไม่มีคนแล้วนะหลายปีมาแล้ว แล้วท่านจะออกบิณฑบาตทุกวันแล้วที่ที่ท่านบิณฑบาต ตั๋วก็เลยเรื่องสายนี่เออมึงก็ดูแล้วมันก็เหมือน เป็นการเฉพาะหรือมีคุณความดีในส่วนอื่นที่สูงกว่านี้ก็อาจจะประกอบกันหลายอย่างคือคนบาง คือทําอธินาทานจะไปทําลายลาภของ สำหรับทางมโนทางกายทวาณในกฎหมายแห่งการประพฤติมารยาทชั้นสูงทางกายทางวาจาก็เป็นความ เป็นที่พิเศษแล้วก็ขาสิตุปปาทาจิตของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ที่ 6, 6. เปเปนะฮะแล้วของพระเถระส่วนใหญ่ก็ แต่ถ้าเป็นเรื่องลึกๆเกี่ยวกับญาณ กระทบท่านก็จะเสด็จเข้าไปนิวัทสาณุตติญาณของท่านท่านก็จะเสด็จเข้าไปเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดถึง บริโภคที่นี้ให้เป็นที่เดียวบริโภค 2 พระก็เล่าว่าชาติที่แล้วท่านเป็นโชติปาลอมานพ แล้วก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏแล้วก็ทรงเล่าว่าที่ตรงนี้ในสมัยอดีตคือประวัติย่าองค์ก่อนเหมือนกันมีอุบาสก และท่านก็เลยเล่าอดีตต่างๆให้ฟังให้ปรากฏในที่นั้นก็กลายเป็นสูตรวิจิตปิสฎานออกมาเสร็จแล้วท่าน นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งมีมากมายเพราะฉะนั้นเวลาเราหรือสัพพยุตตญาณแล้วก็อ่าตัวอธิตุปาทะเกิด ของท่านอจิตมนุปที่จะเป็นภิกษีอานหรือ นะนี่ก็เรื่องมากมายเหลือเกินฮะนั้นที่อยากเห็นนั้นนําว่าที่อย่างนี้เป็นที่เหมาะแก่การ อําเหมาะแก่การอยู่อาศัยเพื่อการประคึกภาสุขนิหันดธรรมก้อนนั้นก้อนนี้แม้ทวารดื่อๆก็เหมือน ซึ่งเป็นนอกนั้นยากหมดจิตที่ยากต้องมีหน้าอยู่ดวง 89 ไว้ตรงแล้ไปแล้วนะอเหตุกจิต เราพักกันสักครู่นะครับพบกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันในรายการบรรยายข้อ เดิมแล้วให้ความรู้สึกในทางที่ดีอย่างยิ้ม อ่านี่เป็นอันหนึ่งคือผมพูดอย่างในส่วนของจํานวนรูปนะที่จะ <c oughs> แม้แม้ยิ้มมันก็โอ้โหคะแนนได้เยอะเลยเนี่ยซึ่ง แล้วแสดงออกอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งมีผลมากทีนี้ที่ เมื่อเรายังอยู่ในวัยเต่งตึงคือเมื่อหนังยังแน่นหนาอยู่มันก็อย่างหนึ่งใช่มะอะไรยึดเอามาก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่า ออกไปเข้าใจว่าคู่อย่างนี้อายุมากอายุมากถึงจะอยู่ในวัยจะยิ้มพ่อหลวงปู่ทั้งหลาย เวลาพบท่านด้วยคนเข้าวัดเข้าวาเนี่ยหน้าตาก็ดูละเมียดละไมเวลายิ้มหัวก็รู้สึกว่ามีผลมีพลังสูงมากซึ่งจะ ไอ้กำลังของรูปนั้นแตกต่างกันแต่ว่าเราก็พูดว่าตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มกําลังรูป จะทรงยามเมื่อประชลย่างเข้า 80 แล้วก็มีวาเล็ทเป็น 9 กับ 12 ถ้าอย่าง ก็เกิดอาการมีเสียงปรากฏทีนี้ถ้าหากว่ามีการ ไม่ยากแหละสําหรับในส่วนหลังๆแต่ด้วยมีกายด้วยนั้นน่ะมันแสดงว่าท่านจิตนั้นไม่แรงรูปคือการยิ้มนั้นไม่ไม่แรงถึง อ้าออกเสียงออกมาเจ้าก็ภูกัน ที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือเฉพาะว่าหาติตุปาทจิตปราศลบอารมณ์ ก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้และทาง แต่ว่าท่านจะมองลึกเลยไปถึงบางสิ่งบางนั้นที่ซุกปนอยู่กับอิจฉารมณ์นั้นคือถ้า และ นิثار ลมที่เราสําคัญเห็นว่ามันเป็นความสนุกของเราเราก็อาจจะยินมันก็ความคิดเราจะอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือถ้าขยับออกไปก็เป็นการขยับออก แล้วก็ไม่ปลารบไปโดยธรรม